ลมหนาวมาจากเมืองจีนนะคนจีนเขามา ก, ก่อนที่นี่ลมแรงมันเป็นช่องเขาการปฏิบัตินะอยู่ที่ตัวเราเองสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะมันพอ ที่จะพาเราไปฝึกนะถ้าเราไปฝึกพอที่จะพ้นทุกได้ในชีวิตนี้แหละธรรมมันก็ไม่มีมากกว่านี้แล้วที่จำเป็นจริงเพื่อการปฏิบัติที่จะพ้นทุกธรรมามีเยอะแยะแต่ว่าที่ท่านสอนไว้มันมีเยอะแยะเพราะว่าส่วนหนึ่ง จะเป็นเรื่องของจริยธรรมธรรมะที่อยู่กับโลกให้มันมีความสุขความเจริญขึ้นไปส่วนธรรมะที่จะไปสู่โลกุตตะละเดือโรคมีเรื่องหลักๆนะเรื่องอริยสัจขันห้าอยะตนาหกเรื่องธาตุเรื่องอินทรีย์ แต่เราไม่ต้องเรียนทั้งหมดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรียนแค่ว่ารู้จักขันห้าอัตยนาหกรู้จักวิธีปฏิบัติคือเรื่องของสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนั้นมันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอยู่ด้วยกันรู้จักไตรลักษณ์รู้จักอริยสัจ อริยสัจเป็นกรอบกว้างที่สุดนะครอบคลุมธรรมะทั้งหมดเลนเวลาบรรลุพระอรหันต์เนี่ยท่านจะบอกรู้แจ้งอริยสัจเข้าใจอริยสัจอริยสัจมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นโลกียะกับส่วนที่จะขึ้นสู่โลกุตตละในส่วนโลกิยะนะั้นมีตัณหาเป็นเหตุ มีความทุกข์เป็นผลในส่วนโลกุตตระนะมีมรรคเป็นเหตุมีอริยผลนิโรดเป็นผลนี่สองคู่ควรจะครอบคลุมทั้งโลกทั้งธรรมเป็นแม่บทใหญ่นะอริยสัจนี่วิธีปฏิบัติเราก็รู้จักเรื่องของสติประฐาน ถึงเวลาควรทำความสงบเราก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีความสุขเวลาเราจะเจริญปัญญาแล้วก็พัฒนาสมาธิอีชนิดนึงขึ้นมาคือใจที่ตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นได้นะมันก็จะเป็นผู้รู้ได้มีพวกพระปริยัต์นะบอกว่าจิตผู้รู้ไม่มีในพระไตรปิฎกหรอก นะก็เรียนอย่างนั้นถึงเอาตูไม่รอดในสติปัฏฐานนั้นมีแต่คำว่ารู้เต็มไปหมดเลยหาย ใ, ใจออกยาวก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้ใครเป็นคนรู้จิตนั่นแหะเป็นคนรู้แต่จิตที่จะเป็นผู้รู้ได้มีคุณสมบัติเนี่ยพวกเรียนทฤษฎีอย่างเดียวนะคลา ม, มาไม่ถึง ตัวจิตที่เป็นตัวรู้นี่เพราะฉะั้นมันไม่ได้เครื่องมือหลักไม่ได้เครื่องมือสำคัญในการที่จะมารู้รูปรู้รรรนามหลวงปุมั่นเนี่ยท่านคนพบตัวผู้รู้นี่ขึ้นมาคำว่าพุทธโธผู้รู้พัฒนาจิตจนเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วคราวนี้ยหายใจออกยาวก็รู้ใครหายใจออกร่างกายหายใจออกใครรู้ จิต ท, ที่เป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เป็ะนั้นเรารู้มีทั้งรูปมีทั้งนามพูดภาษาที่ฝ่ายปริยัตเข้าใจง่ายขึ้นก็อบอกรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้พูดแล้วไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ได้สอนวิธีที่จะพัฒนาจิตให้เป็นผู้รู้จริงๆขึ้นมาในสนติปัฏฐานเต็มไปด้วยคำว่ารู้ ยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดว่านอนอยู่ไม่ต้องเน้นว่ารู้ชัดชัดรู้ชัดชัดไม่ได้รู้แบบเข้มข้นนะรู้ชัดเนี่ยหมายถึงรู้องไปทะลุลงไปเห็นรูปนก็รู้ลงไปตัวที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนี่ยมันเป็นแค่รูป มันไม่ใช่เรานะเคลื่อนไหวรูปเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกนะก้าวไปก็รู้สึกถอยหลังก็รู้สึกเหลียวซ้ายแลกขวาก็รู้สึกเนะี่ยค่อยรู้ไปก้าวไปก็รู้ถอยก็รู้นะหันซ้ายหันขวาก็รู้เต็ไมไปด้วยคำว่ารู้จนะอบอกว่าคำว่ารู้ไม่มีนะเพ้อเจอ้อแล ถึงภาวนากันไม่เป็นมีความสุขนะมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ใช่เราสุขแต่ว่ามันมีความสุขแต่มันไม่ใช่เราสุขไม่ใช่เขาสุขนะเห็นสภาวะจริงๆคือตัวความสุข มีความทุกข์ก็รู้ความสุขเกิดจากอามิ t h หมายถึงมีสิ่งเลา้าสิ่งยัว่วคือรูปเสียงกลิ่นรสโภชภามายั่วแล้วเกิดความสุขก็รู้อันนี้เป็นกามสุขความสุขไม่มีอามิ t h คือความสุขที่ไม่ได้เกิดจากสิ่งเลา้าจากกามสุขก็เป็นสุขที่เหนือขึ้นมาเป็นสุขในรูปฌาในใรูปฌานอะไรอย่างนี้ นี่ความสุขมันเกิดจากอะไรเราก็รู้อีกความสุขนี้เกิดจากเห็นรูปที่พอใจมีความสุขรู้ความสุขนี้เกิดจากความสงบของจิตใจเกิดขึ้นเราก็รู้นี่เรียนรู้เวทนาจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะก็ เ, เต็มไปด้วยคำว่ารู้ จิตมีราคารู้ว่ามีราคาก็จะเห็นนะราคาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะไอ้ตัวที่เป็นผู้รู้ราคาหัดใหม่ๆยังเป็นเราอยู่นะแต่ว่าเมื่อไรที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยตัวผู้รู้ก็ไม่ใช่เราความเป็นเรามันเกิดจากการหมายรู้ผิดการคิดผิดการเชื่อผิดนะเกิดจากโมหะว่ามันเกิด ความเป็นเราเนี่ยเฉพาะตอนหลงถ้าไม่หลงไม่มีโมหะก็ไม่มีเราเพราะฉะนอย่างพวกเราบางทีภาวนานะจิตสงบเขึ้นมานไปเรียนหลายที่เลยเขาจะตั้งให้เป็นพระหรือยะตอนนี้ยไม่มีตัวเราแล้ะลงเบิดกระโหลกเข้าสักทีหนึ่ง<ม>ตัวเราพุ่งกระจูดเลยเพราะโทรสามขึ้นเนะงี้ยบางคนนะไม่เรียนที่ไหนมาก็ไม่รู้ แล้วก็มาบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยได้ธรรมะขั้นนั้นขั้นนี้แล้วบางแห่งนะไปเรียนเจ็ดวันแรกจะได้โสดาเจ็ดวันที่สองได้สกิทาคาเช็นวันที่สามได้อนาคาเจ็นวันที่สี่เป็นพระอรหันต์กลับมาบ้านกลับมาเป็นปุถุชนใหม่ะเห็นกินเลยกลับมาใหม่เวลามาถามหลวงพ่อเนี่ยได้แล้วหลวงพ่อว่าไงหลวงพ่อไม่อยากตอบเลยนะ ตไปบางทีก็โมโ ห, โหเราไม่ตอบก็กลายเป็นว่าเรารับรองเรารับรองไม่ไดไ้ต้องตัวเองเห็นด้วยตัวเองบินอยู่ชนรู้ด้วยตัวเองมว่ากิเลสตัวเองอยังเหลืออยู่เปล่าอย่างเราภาวนานะนึกว่าได้มักได้ผลแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าได้โสดาเนี่ยมันจะต้องไม่มีสักยทิทิไม่มีวิจิกิจชาไม่มีศิลัสตปรามานพอรู้หลักแห่งนี้นะก็แก้งเลย นี่ก็ไม่ใช่เราอนนี้ก็ไม่ใช่เร า, นนเราดูลงมาไม่เห็นตัวเราไม่มีกระทั่งความเป็นเงาของตัวเราเพราะจิตในขณะนั้นมันทรงฌานอยู่ทรงสมาธิอยู่จิตมันมีกำลังที่ดีเป็นกุศลอยู่นั้นเวลาที่จิตเป็นกุศลแล้วมันก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิสักยัตทิฏฐิมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันหนึ่งนะเป็นความเห็นผิดอยู่ในตะกูลโลภะ งั้นถ้าเรามีสติอยู่นะมันจะไม่มีสักยติทิมันดูลงไประบอกไม่มีไม่ใช่คนะรูบาอาจารย์ท่านสอนบอกให้ดูนานๆดูสัก3ามเดือนนะอย่าไปทรงฌานอยู่อย่าไปทรงจิตอย่างนี้นะมันไม่ถึงกับทรงฌานนะแต่มันทรงอุปจารสมาธิทรงแค่จะคิดยังแทบไม่คิดเลย แล้วตัวเรามันจะมาจากไหนแต่ถ้าจิตหลุดออกจากการเพ่งคราวนี้ขึ้นมาเทียบเลยจะดู้เวลาดูว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังไม่ละดูตอนที่จิตใจเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่ทรงสมาธิอยู่มีนะบางคนมาบอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วหลภาพบอกเข้าฌานให้เราดูซิ กำหนดจิตเข้ า, าสมาธิแล้วนะจิตเคลื่อนปุ๊บไปพรห ม, มโลกหลวงพ่อถามว่าจิตมันเคลื่อนไหมเคลื่อนจิตยังมีการไปมีการมาสแสวงหาที่เกิดอยู่ไม่ใช่หรอกเขาบอกว่าไม่ใช่แนละจิตเศร้าหมองคิว่าใช่แล้วคราวนี้ไม่ใช่แล้วเกิดจิตเศร้ามองเห็นด้วยตัวเองแล้วมันไม่ใช่จิตเศร้าหมองหลวงพ่อก็ชี้ต่อ ตอนนี้จิตเศร้าหมองเปล่าเศ ร, ร, ร้าใจไม่ได้พระอรหันต์เศร้าใจไม่ได้พภาณคาหรอกอยังมีทุกข์อยู่มีปฏิฆะไม่พอใจอยู่หงุดหงิดเสียใจเนี่ยดูที่กิเลสยังมีพระบางองค์นะพระผู้ใหญ่ทีท่านก็คิดว่าจบเงินบาเที หลวงพ่อถามท่านว่าจิตหลวงพ่อมันยังมีการไปการมาไหมพอพูดประโยคนี้ท่านนะท่านรู้แล้วไม่ใช่อย่างนี้ว่าง่ายแก้ง่ายบางคนแก่ยากแก่แล้วโมโหโมโหเราก็ปล่อยทิ้งใครไปยุ่งด้วยไม่ใช่พ่อเรา <laughs> พาสนาปินบอกให้ก็บูญนักหนาแล้วโมโห ทิ้งเลยไม่เอานะเรียนธรรมะอย่าดื้อเราอยากเข้าข้างตัวเองไอ้ที่พังพินาไปก็เข้าข้างตัวเองบางที่เขาไปเรียนก่บเขานะี่ยเขาก็าให้หลังวันแล้วกันตั้งให้เป็นพระเารียะเราก็เคลิ้มเม า, มานะดูของจริงอย่าไปเชื่อคนอื่นหนะลวงพ่อบอกก็อย่าเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อหลวงพ่อประโมท สอนให้ตรวจใจตัวเองวัดใจตัวเองใช้อยู่นโสมนาสิการใช้ความแยบคายในการเรียนรู้สังเกตเอาเหมือนที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อตอนเป็นโยบหลวงพ่อเคยคิดว่าแต่อนาคานะถึงระดับอนาคาเลยหลวงพ่อพิสูจน์ว่ากิเลส ย, ยังอยู่ไหมด้วยการไปดูหนังสือโป๊ดูวันที่หนึ่งเฉยสองเฉ ย, ส, เฉยสามเฉยสี่เฉ ย, เฉยห้าเฉยหกเฉย วันที่เจ็ดเลยผู้หญิงคนนี้มันสวยขึ้นมาแล้วเปลี่ยนไปหลายเล่มเลยนะดูดูวัดใจเพราะว่าไม่ใช่เนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์เลยนะถ้าได้ธรรมะจริงในชั้นในนดแล้วกิเลสชั้นนั้นต้องลาดเด็ดขาดแนละ้วทาไงก็ไม่ขึ้นมาอีกแล้วอย่างถ้าจบจิตจริงๆนะจิตปล่อยวางจิตได้แล้วยังไงก็ไม่ยอมหยิบช่วยขึ้นมาอีกล้ จิตปล่อยวางจิตได้เนี่ยถ้าฝ่ายปริยัตมิมีที่ไหนจิตปล่อยวางจิตนะมีแต่จิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นอย่างเงี้ยพูดไปเถอะเอาตัวไม่รอดครอบครูบารยาท่านพาภาวนาเราเห็นจิตมันวางจิตไดนะ้ตอนหลวงพ่อเป็นโยมจิตยังวางจิตเลยนะวางแล้วก็หยิบขึ้นมาใหม่นะตอนบวชพรรษาแรก จิตก็วางจิตนะก็หยิบขึ้นมาอิจไปส่งกันบ้านหลวงปู่สวัสดิ์นะีท่านก็บอกเอาหน้าไปกันนักปฏิบัติด้วยกันคุยกันรู้เรื่องกับคนไม่ปฏิบัติพูดกันไม่รู้เรื่องกลางตาําราเนี่ว่าสภาวะจริงๆเป็นไงไม่รู้ไปไม่รอดเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องเรียนนะเรียนอริยสัจ ต้องรู้จักอะไรเรียกว่าทุกข์รูปนามขันธ์ห้าเรียกว่าทุกข์ไม่ใช่อกหักรักขุดเรียกว่าทุกข์นะทุกข์ในอริยศาสตร์คือทุกขศาสตร์นี่คือรูปนามคือตัวทุกข์พวกเราเห็นไหมว่ากายนี้คือตัวทุกข์ไม่เห็นหรอกเราเห็นว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างพวกเราเห็นไหมว่าจิตคือตัวทุกข์ไม่เห็ น, ห ร, ร ห, น, ห, นหรอกเราเห็นว่าจิตนี้ this. This. ทุกข์บ้างสุขบ้าง งั้นที่บอกว่ารู้อริยศาสตร์เนีเรียนแปบบ๊บเดียวก็รู้แล้วไม่รู้หรอกมันรู้ได้สมองด้วยความจามันไม่รู้ด้วยใจเรายังไม่สามารถเห็นได้ว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ทำไงจะเห็นได้ต้องรู้จักการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเจริญวิปัสสนาได้ก็ต้องฝึกจิตให้พร้อมที่จะเจริญปัญญาให้มีสมาธิที่พร้อมจะเจริญปัญญา ในตำลาก็สอนสัมสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่สมาสมาธิเป็นไงไม่รู้ mm hmm. ก็ชอบพูดนะเรียนกันปริยัตินะว่าสมาธิเนี่ยเกิดร่วมกับจิตทุกดวงเงี้นหมามันก็เป็นพระอรหันต์ได้สิทำไมสมาธิอย่างที่เกิดกับจิตทุกดวงจิตหมาก็มีสมาธิไปเอาเอกคตาเจตสิกการที่จิตจับอารมณ์ได้ทีละหนึ่ง มาอธิบายสัมมาสมาธิอธิบายไม่ได้มันคนลเรื่องสัมมาสมาธิมันคือสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดนก็คือตัวจิตผู้รู้ น, นั่นเองถ้าพูดอย่างปริยัตินะั้นก็คือมหากุสลจิตญาณสัมปยุทธนะ์อาสังคาลิกังมีสองดวงนะจะมีสองดวงบางดวงมีโสมนัสมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาดนะังนั้นตัวจิตผู้รู้เนี่ย บางครั้งมีความสุขผุดขึ้นมาเองบางครั้งเป็นอุเบกขาใครเคยเห็นรังกูนี้รู้สึกไหมบางทีมีความสุขผุดขึ้นมาเองบางทีก็เฉยๆหัดใหม่ๆนะความสุขผุดถี่ยิบเลยนะฝึกมานานๆไม่สุขแล้วเห็นทุกเป็นอุเบกขานะเห็นทุ ก, ก็จริงแต่จิตนเป็นอุเบกขาเป็นคนดูไม่ใช่ผู้ทุกไม่ใช่เราทุก สิ่งเหล่านี้ลงพ่อสอนไว้เยอะนะตรงกัที่พระพุทธเจ้าบอกทุกให้รู้สิ่งที่เรียกว่าทุกคือรูปนามหน้าที่ต่อทุกคือรู้อะไรคือสมุ ท, ทยัยคือตัวตัญหาหน้าที่ต่อตัญหาคือละงั้นเราลงมือปฏิบัติเราอยากปฏิบัติเราจะเพ่งหลงพ่อถึงบอกเพ่งเรารู้ไหมเพ่งนี่เป็นผลจากตัญหาอยากปฏิบัติ หลวงพ่อจะสอนบางคนนั่นก็สอนตั้งแต่เพ่งอยู่รู้เปล่านะพอรู้ตรงนี้ได้หลวงพ่อจะสาวต่อไปไปดูให้ดีเถอะที่เพ่งับเพราะอยากอยากปฏิบัติอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้รู้ทันใจที่อยากไปนะแล้วมันจะละเราจะละใจที่อยากด้วยการมีสติรู้ทันนะไม่ใช่ละด้วยกัน หาความอยากตัวใหม่มาลัความอยากตัวเก่าเช่นพอมีความอยากเกิดขึ้นอยากลาความอยากนะไปโน่นเขาไปอีกแล้วให้มีสติรู้ว่าไปเมื่อทนะุกคือรูปนามให้รู้สมุทยัยคืตัวตัณหาให้ละนะแต่ว่ามันพูดง่ายแต่มันลายากนะยิ้งเราภาวนาไปเรื่อยๆนะมันก็รู้สึกว่าเมื่อไรมันจะหลุดพ้นเมื่อไรมันจะไม่ต้องเกิดอีก ใ, ใจมันก็อดมีไม่ได้นะเราตราบใดที่ยังมีโลภะเจตนาตัวนี้อยู่มีตัณหาตัวนี้อยู่เนะไม่มีทางเกิดมาฝคผลหรอกงั้นเวลาที่เราภาวนานะเราก็นั่งรุ้นเมื่อไรจะได้เมื่อไรจะได้รับรองไม่ได้แต่ภาวนาไปเรื่อยๆนั่นแหละที่อยากแล้วก็ไม่ได้อยากแล้วก็ไม่ได้ทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งมันหมดอยากแต่สติสมาธิ ปัญญามันเต็มในรอบของมันนะในรอบของเที่ขึ้นโสดาได้สติสมาธิปัญญามีคุณสมบัติมีมีพลังเข้มข้นในระดับเนี้พอนะผ่านตรงนี้แล้วก็ต้องมาสะสมใหมนะ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีกําลังพองเกิดระยะมังอีกระดับหนึ่งตอนที่สะสมอยู่นี่มันเจือโลบทางนั้นแหละไม่ต้องห่วง เจออยากปฏิบัติอยากปฏิบัติปฏิบัติไปก่อนนะไม่ใช่อยากรู้ว่าอยากแล้วก็ไม่ปฏิบัติหลวงพ่อเคยเป็นปัญญามันล้ําหน้านะเวลาที่ปัญญาล้ําหน้าเ น, นี่ยเห็นเลยนี่อยากปฏิบัติรู้ทันที่อยากความอยากหมดเลิกปฏิบัติเลยอันนี้เสียท่าเสียท่าอยากปฏิบัติก็ปฏิบัติไปก่อนแล้วรู้ว่าอยากแล้วก็อยากได้ผลรู้ว่าอยาก ที่จริงไม่ได้อยากปฏิบัติไปดูให้ดีเถอะมันอยากได้ผลมันไม่ได้อยากปฏิบัติขยันปฏิบัติหรือขี้เกียจทางจริงถ้าอยากปฏิบัติจะขยันนะปฏิบัติไม่เลิกเลยนะแต่เราไม่ได้อยากปฏิบัติหรอกเราอยากได้ผลอยากบรรลุมากผลอยากจะดีอยากย่องง้ออยากอย่างนี้บางคนอยากบรรลุมารผลไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นนะเพื่อจะได้ นปิดอบายได้แนละ้ต่อไปนี้ทําชั่วได้สบายใจไม่ตกนรกละเนี่ยคิดอย่างนั้นอุบาทอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีในห้องเนี้ยมีนะอย่าให้ถึงขนาดต้อไล่จิต ก, กันเลยนะจะได้เสเพเลยให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวตกนรกเนะนี่ยเราเรียนไปนะค่อยๆเรียนไปจนมีใจที่เป็นคนรู้ขึ้นมาวิธีที่จะทําใจให้เป็นคนรู้หลวงพ่อก็สอนแล้วนะมันมีสองวิธี วีทีหนึ่งนะเข้าฌานถึงฌานที่สองนะมันจะมีตัวผู้รู้แล้วตัวผู้รู้เนี่ยพอเราออกจากฌานมานะ่ะมันจะเด่นดวงอย่างนี้นตัวผู้รู้เขาเด่นสว่างสไยอยู่งั้นนะไม่ต้องรักษาถึงเวลาก็ไปเข้าฌานออกจากฌานมารู้มันก็เด่นอยู่ทั้งหลายวันของเราทำไม่ได้ไม่ต้องไปอิจฉาก็าหรอกนะ เราก็ฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งเรียกคณิกาสมาธิสมาธิทีลักขณะวิธีฝึกให้ได้สมาธิที่ลักขณะก็คือมีสติคอยรู้ทันเวลาจิตมันฟุ้งซ่านทีละขณะมันฟุ้งซ่านไปรู้ทันปุ๊บความฟุ้งซ่านดับความตั้งมั่นเกิดหลงไปคิดอีกรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดการหลงคิดดับ เกิดจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกละผู้รู้กับผู้หลงตรงข้ามกันผู้หลงมันแพ้สติถ้าหลงแล้วรู้ว่าหลงหลงดับรู้ก็เกิดแค่นี้เองเมือนมีเหรียญอยู่อันหนึ่งหัวกับก้อยถ้ามันไม่หัวมันก็ก้อยถ้ามันไม่ก้อยมันก็หัวมีแค่นั้นถ้าไม่หลงมันก็รู้ถ้าไม่รู้มันก็หลงก็แค่นั้นเองไม่ใช่มีอะไรลึกลับตั้งหรอกเวราเราฝึก ให้หลงแล้วรู้เร็วๆแค่แค่นั้นแหละฝึกหลงแล้วรู้ไวๆวิธีฝึกหลงแล้วรู้ได้ไวก็คือทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้กรรมาฐานอะไรก็ได้แต่เราคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทํากรรมาฐานเพื่อให้จิตสงบนะเพรานั้นตื้นเกิดไปมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกทำกรรมาฐานให้จิตสงบนี่เราจะทํากรรมาฐานว่าจิตหลงแล้วรู้ไวๆ เงืเาพุโทโธไปครูบาาจารย์สอนนะไม่ใช่ไม่สอนพุโทโธไปสงบงสก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ใช่พุโทโธให้สงบนะหรือหายใจไปเนี้ยคุณแม่จันดีเคยคุยหลวงพ่อนะคุณแม่จันดีถามหลวงพ่อตรงๆเลยว่าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ปฏิบัติยังไงจิตมาลงที่เดียวกับท่านได้หลวงพ่อบอกหลวงพ่อหายใจจนลมหายใจระงับนั้นเป็นแสงอยู่ตรงเนี้ย เราหลวงพ่อรู้ทันจิตจิตไหลไปที่แสงก็รู้จิตหนีไปที่อื่นก็รู้จิตตามแสงไปเที่ยวนรกเที่ยวสวรรค์อะไรก็รู้รู้เท่าทันจิตเพราะฉั้นเราทำกรรมฐ า, านเพนื่อ ร, รู้เท่าทันจิตคุณแม่บอกว่าทัางนันก็อันเดียวกันแหละไม่แปลกแล้วทำไมลงที่เดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุโทโธลงตามหาบัวสอนให้ท่านพุโทโธแล้วกาหนดจิตอยู่แถวๆนี้ พุทโธพุทโธแล้วพอจิตเคลื่อนไปก็รู้นะท่านสอนด้วยซ้ําไปนะว่าไม่ใช่ไปพุทโธบังคับให้สงบนะแต่พุทโธพุทโธไปพระจิตมันเคลื่อนไปเรารู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตที่เคลื่อนไปจิตฟุ้งซ่านพอเคลื่อนไปปุ๊บเรารู้ทันจิตสงบก็รู้นะใช่หลักอย่างนี้เลยคือรู้ทันจิตไปเรื่อยๆการรู้ทันจิตนี่นะเรียอว่าจิตศิกขาเรื่เรื่องจิตตนเองสิ่งที่ได้คือสมาธิที่ถูกต้อง บางคนได้ยินว่าดูจิตดูจ응 mm ิต hmm. ม um, ไม่ได้เริ่มต้นต้องดูกายเริ่มต้นต้องดูจิตต้องเรียนรู้จิตตนเองซะก่อนก่อนจะไปดูกายหรือไปดูเวทนาดูจิตดูธรรมในขั้นเจริญปัญญานะต้องได้สมาธิที่ถูกต้องซะก่อนแล้วสมาธิที่ถูกต้องนี่เกิดจากการเรียนรู้จิตตนเองงั้นพุทโธไปนะพุทโธพุทโธจิต น, นี้ไปคิดรู้ทันตรงที่รู้ทันสมาธิที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นชั่วขณะ หลงอีกรู้อีกหลงอีกรู้อี ก, อกนะพอรู้ได้ถี่ยิบขึ้นมามันจะมีความรู้สึกเหมือนรู้ได้ทั้งวันนะแต่จริงจริงจิตผู้รู้นะเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงนะนี่มันจะเกิดดับตลอดเวลาฝึก อ, อย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละกรรมฐานสักอันหนึ่งจิตไหลไปแลกรู้เราจะได้เครื่องมือคือได้จิตที่เป็นผู้รู้คราวนี้ยเราทํากรรมฐานที่เราถนัด ถนัดรู้กายเราเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้านะเพราะจิตเป็นผู้รู้มันจะเห็นได้ร่างกายที่หายใจออกร่างกายที่หายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราใครหายใจร่างกายหายใจไม่ใช่เราหายใจนะใครยืน เ, น, น, น, น, รยยนเดินนั่งนอนร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยถพอจิตเป็นผู้รู้นะมันจะไม่มีเรา แั้เวลาที่เรามีจิตผู้รู้แล้วเนี่ยดูลงไปที่กายกายจะไม่ใช่เราดูลงไปที่เวทนาเวทนาไม่ใช่เรานะดูลงไปที่จิตที่เป็นกุศลอกุศลมันจะไม่ใช่เราดูที่ธรรมคือรูปธรรมนามธรรมาทั้งหลายธรรมานุ ป, ปัสสนากว้างที่สุดนะมีทั้งรูปธรรมมีทั้งนามธรรมามีทั้งกุศลมีทั้งอกุศลนะ แล้วก็มีกระบวนการแสดงให้ดูได้ไม่ใช่เห็นแต่ตัวสภาวะแต่จะรู้ว่าสภาวะนี้เกิดมาได้ไงอย่างเห็นนิวรณ์เนี่ถ้าให้เราเห็นตัวนิวรณ์เฉยๆเป็นจิตตานุปัสสนานะถ้าเห็นว่านิวรณ์นี้เกิดจากอะไรนิวรณ์ไม่เกิดเพราะอะไรนี่ขึ้นมาทรรมานุปัสสนาเป็นอีกสเต็ปหนึ่งรู้เหตุรู้ผลเพนั้นธรรมานุปัสสนาจะรู้เหตุรู้ผลไปลึกตรงไปอีกชั้น ได้ค่อยๆฝึกไปนะพอได้จิตเป็นผู้รู้แล้วรู้ลงไปที่รูปรธรรมก็จะเห็นความจริงของรูปรธรรมเพราะผู้รู้ไม่เจอความคิดแต่ถ้าเป็นผู้คิดอยู่นะดูลงไปที่กายเนี่ยตัวเราตัวเราหายใจตัวเรายืนเดินนั่งนอนงั้นการที่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้ไม่เป็นเรานะเราใช้จิตที่มันไม่เป็นเราเนี้ยไปดูมันจะไม่มีอคติไม่มีไบอส จะเห็นความจริงของรูปธรรมนมามธรรมได้ถ้าเห็นความจริ ง, งรูปธรรมนมามธรรมนะจิตก็มีสมาธิเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ปัญญาก็มากขึ้นเรื่อยๆสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์ขึ้นเลยสุดท้ายอริยมรรคก็เกิดงั้นถ้าไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่ามาคุยเลยเพอเพราะยังเป็นจิตผู้คิดอ ย, ยจิตผู้คิดไปทํำมิปัสสนาไม่ได้จริงหรอก มันคิดเอาจิตผู้รู้นี่มันรู้เอางั้นตัวที่จะเป็นกุญแจของการปฏิบัตินะฝึกให้ได้ตัวรู้นะฝึกให้ได้ตัวจิตผู้รู้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ยังอีกไกลมีแต่จิตผู้หลงหรือจิตผู้เพ่งจิตผู้เพ่งใครเพ่งกูเพ่งก <laughs> นะูเพ่งนี่ทำท่าไปางั้นนะ มันกลวงถ้าไปกินข้าวนี่มดเลยครับหลวงพ่อต้องปรับวิธีสอนนะหมอก็ไม่ให้พูดยาวๆเพาะงั้นรอบเช้าเนี่ยหลวงพ่อสอนเต็มที่ปกติช่วงที่คุยกับกรรมาการเนี่ยจะต้องสั้นลงเพื่อหลวงพ่อจะมีเวลาเบรกที่ยาวขึ้นไม่งั้นหลวงพ่อเบรก หยุดพูดสิบห้านาทีตอนฉันข้าวท่านเองแล้วก็เดี๋ยวมาต่อแล้วก็ต่อพระคันตุกไก่รวมแล้วต่อกันสามชั่วโมงนะมีเบรกสิบห้านาทนะีเส้นเสียงมันรับไม่ไหวแล้วแก่แล้วเงินแต่ในช่วงต้องลดลงแล้วนะนี่หมดแล้วครับ